การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธการท่านปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆท่านมนุษย์ปฏิบัติแบบสะเทือนน้ําสะเทือนบกตะเกียบตะกายไปตามโลกตามสงสารเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ <c oughs> จนศาสนาก็เลยถูกถู ก, ถ, กถูกล่างให้กลายเป็นโลกไปหมดไม่มีศาสนาอย่างแท้จริง ปรากฏภายในหัวใจของชาวพุทธเราเลยมีเพราะอำนาจของโลกซึ่งมีประจําอยู่แล้วภายใน จ, ใจิตใจเหยียบย่ทำทําลายแม้แต่นักบวชเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติตั้งใจเข้ามาชําระศาสางกิเลสยังกลายเป็นให้กิเลสเหยียบย่ทำทําลายไปโดยมารู้สึกตัวและรู้สึกตัวก็เลยกลายเป็นเรื่องมีเกตนา ปในการเหยียบย่ำทำลายตนเองและพระศาสนาซึ่งอยู่ในตนอีกด้วยมีจํานวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาตั้งใจศึกษาอบรมอย่ามาทำเล่นๆรุ่มๆดอนๆให้คำานึงถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านอยู่เสมออย่าลืมเนื้อลืมตัว <c oughs> ในการปฏิบัติ เคยพูดเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสที่ติดแนบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะเป็นสิ่งที่มีความความเหนียวแน่นมาเป็นเวลานานและเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากมาตลอดกาลพระพุทธเจ้าทรงแก้หรือทรงทงลายกิเลสถอดถอนกิเลส จนถึงขั้นสลบสลายเราฟังดูสิเป็นของแ้ได้ ง, ง่ายเมื่อไรเราจะมาทำแบบสุขเอาเผากินเอาแต่ความสะดวกสบายประจําใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวล <c oughs> ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรคิดว่าความสบายเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสเพื่อให้รับความสุขความสบายต่อไปซึ่งผิดทางทั้งนั้นธรรมะ ดูที่การปืนฝืนกับกิเลสคือความชอบตามสบายแต่แล้วก็ขนทุกข์มาให้ตนเองอยู่เสมอนี่คือเรื่องของกิเลสให้พึงทราบเสมอก <c oughs> <c oughs> ารปฏิบัติไปไม่ถึงไหนล้มละลายล้มละลายเพราะความอ่อนแอตามกิเลสในกลายเป็นเรื่องกิเลสสุดลากไปทุกขยะแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่อง สะแสวงหากิเลสไปในตัวแล้วจะเจอทมที่ไหนหาอะไรก็ต้องเจอสิ่งนั้นนีเราหากิเลสหลงตามกิเลสหลงตามสัญญาอารมณ์ที่เคยคิดขึ้นมาจากขันเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันขึ้นมาไอคิดในเรื่องนั่นเรื่องนี้แง่นั่นแง่นี้อดีตอนาคตมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจแล้วก็ เอาเรื่องนั้นแหละมาคุ้นคิดมายึดมาถือมาเสียดแทงจิตใจของตนซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีทมเครื่องชำนักกิเลสแฝงอยู่เลยการฝืนสิ่งเหล่านี้ต่างหากเป็นเรื่องของการแก้กิเลส <c oughs> ถ้าไม่คำนึงถึงความวิเศษของธรรมะ และความเลวร้ายของกิเลสแล้วเราจะเอาตัวไปไม่รอด mm. เพราะกิเลสกับทำเคยเป็นค่าสึกกันมาแต่การไห น, ไหนการต่อสู้กับกิเลสต้องรับความทุกข์ความลําบากเพราะกําลังของกิเลสมันมีมาก mm. เมื่อสติปัญญาของเรายัางมีน้อยกิเลสต้องมีมาก คอยแต่จะเหยียบย่ำทําลายสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้ลดลงโดยลําดับลํำดั บ, ดบจนถึงกับล้มละลายไปมีจํานวนมากในวงปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายมีแต่ชื่อว่ากรรมฐานเหลือก็เป็นบุคคลสายท่านอาจารย์มั่นอันนี้อันหนึ่งที่จะทําลายพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นและพระศาสนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ให้ ขาดลงไปลดลงคุณภาพลงไปเสียเล็กกันน้อยจนกระทั่งขาดสะบั้นไปเพราะความสำคัญเท่านั้นมีโรคเข้าไปแฝงสายท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรพระพุทธท่านอาจารย์มั่นท่านเคยสอนอย่างไรบ้างแล้วปฏิปทาของท่านพระอาจารย์มั่นเราก็เคยได้เขียนไว้แล้วในประวัติของท่าน ซึ่งเป็นที่แน่นอนแน่ใจว่าไม่ผิดชลาดเลยท่านดาเนินอย่างไรและพวกเราดาเนินกันอย่างไรความสมุกสาบันความลาบากลาบนรวมอยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาในสมัยปัจจุบันใครจะลาบากลำบนยิ่งกว่าท่านทั้งสององค์นี้ไม่มีเราพูดได้อย่างเต็มปากกว่าจะได้อัดได้ทำมา อบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ทุกหละทุหานได้ประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้ถ่ายทอดมาเรื่อยๆรลาเป็นครูเปรนาจารย์ที่เคารพนับถือในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นผู้ใหญ่มีจํานวนมากก็เพราะท่านตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริงที่ท่านสอนด้วยความจริงใจจริงๆนี่จะค่ยรรอยๆล้อไปโดยลําดับ จะไม่มีสิ่งใดเหลือติดตัวมีเราวิตกมากหลือโกนเดี๋ยวกับเรื่องสายท่านอาจารย์มั่นลูกศิษย์พกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นนี่จะเอาไปขายกินจ่ายกินขายกินมีจานวนมากนี่เป็นการแสวงหาธรรมไหมไม่ใช่เป็นการแสวงหาธรรมเป็นเรื่องหาโลกรมิรก็จะเจอตั้งแต่เรื่องของ โลกาณิซึ่งเป็นเรื่องโลกโลกหาความแปลกประหลาดและอัศจรรย์และเป็นหลักจิตหลักใจเป็นที่อบอุ่นแก่จิต ใ, ใจตนไม่มีเลยมีแต่สิ่งภายนอกเต็มเนื้อเต็มตัวเหมือนกับโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจศาสนานั้นเลยใช่ไม่ได้นักประพฤติปฏิบัติอัตธรรมแต่พรอย่างยิ่งนักปฏิบัติเอานี้่ควรจะสนใจสิ่งใดยิ่งกว่าอัตธรรมทำเป็นของประเสรศิฐทำให้ประเสริฐขึ้นที่ใจ ได้พร้อมแล้วที่จะรับอัดรับธทมสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงยงมุดบุดทนไม่มีภาชนะใดไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะสมในธรรมทั้งหลายยิ่งกว่าจิตใจของผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธรรมที่ว่าสวกขาจะทำจัดไว้ชอบแล้วนานผู้ปฏิบัติจึงควรคำหนึงเสมอในการประพฤติปฏิบัติอย่าสนใจสิ่งใดให้มากยิ่งกว่าธรรมอดยาขาด แทนอันใดให้เป็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดายานำเข้ามาเป็นข้อคิดข้อข้องใจอันเป็นเรื่องของจิเดสที่จะมาขัดขวางทวงทําลงไปให้จมลงไปโดยลำดับหนับหาทางก้าวหน้าไม่ได้ผููปฏิบัติทั้งหลายย่อมเป็นผู้ได้รับความลำบากลำบนแสนสาหัสมาโดยลำดับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตลอดสาวกทั้งหลายมาถึงครูบาอาจารย์มีตั้งแต่ ท่านที่ได้รับความลําบากลําบนทั้งนั้นแม้ผู้ที่จะเลยบรรลุธรรมอย่างง่ายๆก็มีจํานวนเล็กน้อยหนึ่งในร้อยก็ยังไม่ได้ทีเราจะมาล้างมือเปิดเผยเฉยใช้ได้ยังไงการปฏิบัติต้องฝืนกิเลสความฝืนความทุกข์ควา ม, วามลําบากเพราะความภาคเพียรในการฝืนกิเลสนั้นเป็นการทําลายกิเลสเป็นการถอดถอนกิเลสเพื่อความสุขความสมหวังที่จะให้เกิด ทมขึ้นภายในใจสมกับว่าใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งอยู่แล้วท่านัดกล่าวไว้เสมอว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปธรรมมีอยู่ตลอดการทำไมธรรมจึงไม่ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเป็นเพราะเหตุใดเพราะเราไม่แสแวงหาธรรมแสวงหาแต่ไม่ถูกก็มีสแสวงแต่กิริยาความจริงใจไม่มีธรรมก็ไม่เจอธรรม ท ร, ร ม, มีอยู่ทั่วไปเรื่องของธรรมแต่ธรรมที่ไม่ปรากฏก็เพราะใจซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ควรแก่ธรรมนั้นไม่ยอมรับธรรมธรรมี่ไม่ปรากฏภายในใจนี่เป็นสิ่งสำคัญ การเทศสอนหมู่สอนคณะมาก็เป็นเวลานานนับแต่ออกสังคมมา น, นี้เกือบสามสิบปีแล้วอีกสอนแบบทุ่มเทกำลังทุกด้านทุกมุมไอ้หมู่เพื่อนฟังเพราะที่จะได้หลักได้เกณฑ์บ้างไม่ค่อยปรากฏหรือแม้แต่มาอยู่ในสำนักนี้ก็ยังทำลุ่มๆดอนๆให้เห็นอยู่เพียงหยาบๆพูดแล้วไม่เข้าใจกันเราจะหาความละเอียดละอโดยถูกต้องได้อย่างไร เพียงแต่สิ่งจำยาบยังหาความถูกต้องไม่ได้ผิดพลาดคาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความจริงใจจงใจมีสติคอยจดจ่อฟังเสมอการประพฤติปฏิบัติจตึงใดต้องเต็มไปด้วยเจตนามีความจริงจังจ่อ ง, งานที่ชอบของตนอยู่เสมอนั่นแหละคือเป็นผู้มีความเพียรเพียรภายนอกเพียรภายในกระเพือนเข้าถึงใจดวงเดียวนี้ เผลอภายนอกก็แสดงว่าเผลอภายในผิดพลาดภายนอกก็แสดงว่าผิดพลาดภายในไปไม่ไปจากใจที่มีสติหรือไม่มีสตินี่แหละเป็นสําคัญมีสติแล้วย่อไม่ผิดพลาดมากนะักหรือไม่ผิดพลาดนั่นถ้าไม่มีสติแล้วผิดได้ตลอดไปความผิดได้เสมอนั้นมันเป็นคุณธรรมประจําใจเราแล้วเหรอมันเป็นความผิดทั้งมวลความผิดนํามาซึ่งอะไรถ้าไม่นามาซึ่งความทุกข์ เพราะการสั่งสมชีวิตนี่มันก็มีเท่านั้น <c oughs> แล้วอยู่ด้วยกันมากมันจะโลเลไปแล้วนะถ้ามากเข้ามากเข้ามองเห็นตั้งแต่พระเต็มวัดเต็มวาแต่อาธธรรมที่มีจะแสงอยู่ภายในหัวใจของพระจะไม่มีสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรม ขันติธรรมไม่มีในใจแล้วจเจ้ามรคนิพพานมาจากที่ไหนมีไม่ได้นี่แหละคือทางมรคนิพพานวิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมยอมจะสามารถเกิดสมาธิธรรมขึ้นมาเลื่อนไปถึงขั้นปัญญาโดยลําดับเพราะการทินิพิจนามตามขั้นตามภูมิของตน แล้วจนกลายเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเราเห็นความเที่ย ง, ยงตรงที่ไหนในโลกธาตุนี้เห็นไหมนั่นองคนั้นตายไปองนี้ตายไป คนนั้นตายไปคนนี้ตายไปเราจะอยู่ค้ามฟ้าได้เหรือทำไมจึงไม่วิ่งเต็นขนฝ่ายหาเสียตั้งแต่บัดนี้เสียดายอะไรกิเลสพาคนให้วิเศษ ว, วิโสอย่างไรบ้างขึ้นชีว่วกิเลสแล้วไม่ว่าตัวใดต้องเป็นพิษเป็นายเป็นเสนียดจารยต่อขิดใจและมรารยาทแหการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นการขีดขวางทำทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีพอที่จะสนุถนอมลืมเนื้อลืมตัว เราเคยลืมเนื้อลืมตัวกับกิเลสนี้มาเป็นเวลานานเท่าไหร่เวลานี้จะปลุกจิตใจของเราให้มีสติให้มีปัญญาเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้โทษรุ้ความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสแล้วจะได้แก้ไขตามหลักธรรมของพระเจ้าเจ้าเพื่อให้หมดสิ้นลงไปกลายเป็นจิตที่มีความสงบผ่องใสกลายเป็นจิตที่มีความสงาา่ า, าผ่าเผยขึ้นมาภายในตนจนกระทั่งถึงทีมุมดบุพ้นพ้นที่ไหนทําไห้พ้นที่จิต ซึ่งเป็นตัวถูกมัดอยู่ด้วยกิเลสทั้งหลายเวลานี้เท่านั้นไม่มีที่หลุดพ้นอย่าคิดไปคาดไปให้เสียเวล่เวลาว่าหลุดพ้นที่โน่นหลุดพ้นที่นี่หลุดพ้นที่ใจใจเวลานี้เหมือนผู้ต้องหาถูกกดขี่บังคับถูกมัดถูกเีอยู่ด้วยกิเลสประเภทต่างๆความโลภความโกรธ ค, ความหลงราคะตันหาถูกมัดรัดลึงอยู่ภาย ใ, จ, ใจิตใจหาความดิฉะได้ที่ไหนแม้แต่ขณะหนึ่ง ถ้าไม่ตั้งใจแก้ไขถอดถอนหรือปราบตามสิ่งที่เป็นฆั้สุดนี้นี้ออกได้โดยลำดับแล้วจิตจะหาความสงบร่มเย็นนะหาอิสระภายในตนเองไม่ได้ถ้าเราเชื่อทำเราก็ต้องเชื่อว่ากิเลสว่าเป็นตัวเหตุก่อทุกข์ให้เราวันยัง่งยำเรื้อเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดทุกข์เราเลืยมากตลอดสั้งกับตั้งการไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเชื่อทำ เราต้องเชื่อว่าพิเ็สนี้เป็นภัยดังพระพุทธเจ้าสอนไว้การพิจารณาก็ดีการทำความสงบใจก็ดีทำไม ถ, ถ้ามีสติกากับอยู่กับใจใจจะสงบไม่ได้มีหรอือเป็นไปไม่ได้เราเชื่อแน่ ถ้าลงสติได้กำกับกับใจแล้วใจยังจะพุ่งซ่านลำคานไปไหนได้อยู่แล้วไม่มีนอกจากกำหนดลงไปชั่วระยะแล้วก็ปล่อยให้จิตทะเลให้ทะเลถลายไปเพราะสติปราศจากตัวเองหายไปแล้วคูที่เลดเยียบจ้ำทำลายแล้วก็ตั้งไม่ได้สักครู่หนึ่งก็หายไปตั้งสักครู่หนึ่งก็หายไปถ้าลงได้ตั้งเจตนาลงฝังตึกลงไปใน จุดที่ทำงานได้แก่การกำหนดเราจะกำหนดอนาปานสติก็ดีหรือกำหนดธรรมบทใดก็ตามมีความจริงจังอยู่ในธรรมบทนั้นมีสติจดจ่ออยู่ในธรรมบทนั้นโดยไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ต้องคาดอดีตอนาคต กำหนดอยู่เฉพาะงานที่ตนกําลังทํานั้นด้วยปัจจุบันธรรมโดยความมีสติกํากับรักษาอยู่จิตถึงจะผาดผนโษเต้นไปขนาดไหนก็พ้นอำนาจของสตินี้ไปไม่ได้จะต้องเข้าสู่ความสงบให้เห็นความเย็นใจขึ้นภายในเรียกว่าสมาธิธรรมนี่ดูมูเพื่อนเราขวางตาอยู่ตลอด ไม่มีความจริงจังอะไรเลยเจ้าของก็ยังไม่รู้เจ้าของว่าไม่จริงไม่จังแต่คนอื่นมองดูทำไมรู้ในฐานะผมเป็นครูประจาจารย์หมู่เพื่อนดูหมู่เพื่อนดูจริงๆเพราะเราเป็นผู้คอยแนะนำข้ามสอนบกพร่องตรงไหนบกพร่องตรงไหนมองเห็นแท้ทัดนอกจากขี้เกียจเตือนก็ไม่เตือนเพราะนั้นเอง ความจริงจังไม่มีหาทำคือความสงบเป็นต้นไม่ได้ถ้าความจริงจังในใจหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้จริงจังเอาจริงเอาจังทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีสติคอยกำกับรักษาเสมอไม่ว่าจะทำกิจนอกกันในมีสติมีสัมผัสชั้นะอยู่ในนั้นยิ่ง ย้อนจิตเข้ามาสู่องค์ภาวนาด้วยแล้วไม่ให้มีงานใดอารมณ์ใดเข้ามายุ่งมาเกี่ยวมีแต่งานคือจิตตภาวนาเท่านั้นอันเดียวจิตย่อมจะสงบได้ไม่สามารถที่จะพ้นอำนาจของสติปัญญานี้ไปได้นี่หลกักสำคัญ เราเคยทำมาอย่างนี้พูด ถ, ถึงด้านปัญญาก็เหมือนกันถ้าลงปัญญาได้แทงทะลุไปตรงไหนแทงลงไปตรงไหนพิจารณาไปไปที่จุดใดย่อมจะปรากฏความจริงขึ้นมาถ้าหากว่ามีสติแต่ปัญญากลายเป็นสัญญาไปเล่ร่อนออกนอกรูกนอกทางไปเสียนั่นสิมันไม่เป็นปัญญาฮหามือนเต็มไปด้วยความหิวโหยวโหยก ว, วนกวานในอารมณ์ทั้งหลาย มันเป็นส่วนภายนอกซึ่งเคยจนมานนานจนกลายจนนิสัยในขณะที่จะหักห้ามจิตใจเข้าสู่อัตถธรรมก็กลายเป็นเรื่องของโลกของสงสารของกิเลสตัณหาไปเสียหมดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่กิเลสของโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกําลังมากมันฉุดไปล่าไปเสียความเพียรก็ไม่ปรากฏมีแต่เดินหยอกหยอกความเพียรพติไม่มีได้ประโยชน์อะไร นั่งสมาธิก็เป็นสมาธิหัวต่อร่างกายติดตั้งอยู่นั่นแหละแต่จิตมันไม่อยู่โธิเลชุดลากไปนอกโลกนอกของการที่ไหนก็ไม่รู้พอย้อนจิตเข้ามาสู่ตัวก็มาคิดเอาเวลามวลาเป็นมรรคเป็นผลหรือมาตัณนิติเตียนทำว่าทำไมทำขนาดนี้จึงไม่ได้ผลก็ไม่ได้ทำเพื่อเอาผลแห่งทำเอาทาเพื่อผล ผลอยู่ที่์ต่างหากโดยหลักธรรมชาติของวันสุงนั้นแล้วจะปรากฏทําขึ้นมาได้อย่างไรนี่ที่ถึงทําให้มีตกวิจารณ์คำหมู่เพื่อนหาปฏิบัติไม่ได้ร่องได้รอยไม่เห็นความสงบลมเย็นไม่เห็นความสว่างกระจ่างแจ้งทั้งที่กูวาอาจารย์ก็สอนทังเรื่องสมาธิก็สอนอย่างเต็มอัดเต็มทาเต็มภูมิสอนปัญญาก็สอนเต็มภูมิจงกระทั่งถึง มิมุติหลุดพ้นพูดให้ฟังทุกแง่ทุกมุมไม่ได้ดน้นได้ดาวมาพูดพูดด้อยความจริงจังภ า, ายในใจจริงๆเห็นไหมว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นอะไรจะเป็นผู้สัมผัสรับภราบธรรมในแง่หนักเบาของธรรมขั้นต่างๆของธรรมจนกระทั่งถึงวิมุติหลุดพ้นอันเป็นธรรมประเสริฐ ถ้ามาใช่ใจเป็นผู้สัมผัสรับทราบเป็นผู้ยินยันเป็นภาชนะอันเหมาะสมเท่านั้นไม่มีถ้าอยากจะทราบสมาธิธรรมที่ท่านสอนไว้ก็ให้ทำอย่างที่ว่านความสงบนั่นแหละจะเป็นพยานของใจเพราะจะเป็นขึ้นที่ใจปัญญาความเฉียวเฉลาดในการที่คลายดูเหตุดูผลสกลรากายอันเต็มไปด้วยอนิจจังทุขฐานตาหรือปฏิปูนโสโคฟองป่าชา้าผีดิบ ผีสดเต็มอยู่นี้หมดมันก็ทราบก็เห็นชัดเจนไม่ว่าจะพิจารณาไปทางไหนถ้าความจริงจังมือเท่านั้นทั้งคืนทั้งคืนเป็นยังไงมันถึงไม่ได้เรื่องเลยลรอ กางวันก็เหมือนกันเราไม่ให้มีการมีงานอะไรพยายามรักษาหมู่เพื่อนไม่ให้มีงานอะไรมายุ่งมาเกี่ยวนอกจากงานข้อวัดปฏิบัติที่เคยมีเป็นประจำวันเท่านั้นงานอื่นงานใดก็ไม่ให้ยุ่งเพื่อจะได้ประกอบความภาคเพียรให้เต็มเมตตเต็มหนูเหตุเหตุผลภารกิจใจของตนเราจึงไม่ให้มีงานอะไรในปาในวัดเพราะเคยปฏิบัติมาแล้วว่างานทั้งหลายนั้นน่ะ มันเป็นค่าสึกต่อคิดตะภาวนาแม้ท่านจะกล่าวว่าสัมมากัมมันโตก็ตามงานส่วนหยาบนั้นแต่มันกลายเป็นนิชักกัมมันโตสำหรับจิตนักคิดตภาวนาเสียงทำนั่นสร้างนี่ ย, นนยุ่งนั่นยุ่งนี้นั่นแหละมันทำลายทําจิตใจให้เกิดความกังวนวุ่นวายเสียเวลาเวลาไปวันละเกแต่น้อยจนกระทั่งทําลายจิตใจคือความสงอบร่มเย็นนี้ไปได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่างาน มักยาทำลายมากักมักละเอียดหรือฆ่ามักละเอียดให้หมดไปมักยาก็คือการทำนั้นทำนี่ภายนอกเกี่ยวกับด้านวัตถุเขามาทาลายด้านนมามธรรมคือกิจตภาวนาของเราให้เสื่อมไปโดยลำดับนานาจนกระทั่งหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่เราเคยเห็นโทษมาแล้วถึงไม่ส่งเสริมในการ ก่อสร้างนั้นตร้างนี้ซึ่งหาเหตุผลมมนได้จะทำอะไรก็ต้องให้มีเหตุผลเป็นความจาเป็นที่ควรทำจริงถึงได้ทำทาก็ทำด้วยความกาหนดกดเกณฑ์เอาไว้โดยจะพอจะพะไม่ให้เลยเกิดเลยเหตุเลยผลมีเราพยายามเสมอรักษาหมู่เพื่อนแต่เรื่องจิตภัฏฐานี้ขาดตกบกพร่องไม่ได้อะไรจะขาดก็ขาดไปเถอะจะตปะใจทั้งสี่นั้นขาดตปเป็นของธรรมดา แม้แต่ชาวโลกเขาหาได้เขาก็ยังมีขาดตกบกคร่องทำไมเราเป็นผู้ไปขอทานเขากินจำไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะม่มีขาดตกบกคร่องได้เป็นไปได้เหรือเราอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกอ น, นิจจังทุกขังอตาหาความสม่าเสมอไม่ได้เราจะสม่ำเสมอไปได้ไไดอย่างไรน่นสิ่ ง, งนั้นแล้วก็ไม่ เป็นเรื่องที่เราจะมาคิดให้เป็นกังวลนอกจากจะทำระสิ่งที่มันก่อความกังวลให้เราอยู่ภาย ใ, ในใจนี้ให้หมดไปหมดไปโดยลำดับเท่านั้นนี่เรื่องของพระมีเท่านี้อย่าคิดเรื่องใดให้เสียเว ล, เวลาโลกนี้เราได้เคยผ่านมานานกี่ปีกี่เดือนนับตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบวชมาถึงวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยได้ผ่านมาแล้วทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดทางใจที่คิดยุ่งเหยิงวุ่วนวายไปอยู่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรทำไมจึงไม่นำมาเทียบเทียงความหนักเบาได้เสียของกันและกันระหว่างเรากับความคิดอารมณ์ต่างๆนั้นทีนี้เราจะทุ่มเทจิตใจเราเพื่อ ส, อสู่อัตถิธรรมอย่างแท้จริงทาไมมันจึงพอยหลังมันถึงจะไปไม่รอด นี่เป็นเรื่องของกิเลส จ, จะหลอกเรานะมะขผลนิพานไม่อยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นแต่ที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้เพราะกิเลสทับผมอยู่จนมองหาจิตไม่เจอแล้วจะเอามะขนุนนิพานมาจากไหนถ้ามันฟาดปันหันแหลกกันลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเชื่ออย่างเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราจะไม่เห็นความอหัศจรรย์ภายในจิต นั้นเราจะไม่เห็นคําว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปจะมาปรากฏที่ไหนก็ไม่ไม่รู้ ท, ท, ทั้งๆที่รำน่าจะปรากฏขึ้นที่ใจรู้ขึ้นที่ใจรับทราบที่ใจยืนยันกันได้ที่ใจตั้งแต่สมาธิธรรมจนกระทั่งถึงวิมุติธรรมจะนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้รับทราบเป็นภาชนะเป็นเจ้าของถึงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไปไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยทําให้จริงให้จังิงค่ะ มีค่อยๆหรอไปโดยลําดับลํำดับเลยจะไม่มีใครสืบท อ, อดข้อวัตรปฏิบัติทั้งภายนอกทั้งภายในภายในก็หมายถึงภูมิกิตภูมิธรรมภายในใจของผู้ปฏิบัติภายนอกก็คือข้อวัดปฏิบัติไม่ให้เสื่อมคลายหลักสาคัญก็ขึ้นอยู่ที่ใจถ้าใจมีหลักมีเกณฑ์ใจมีหลักธรรมมีภูมิอดัดภูมิธรรมอยู่ภายในตัว การประพฤติปฏิบัติข้อวัดภายนอกก็คงเส้นคงวาสม่ำเสมอถ้าใจขาดหลักไม่มีหลักใจไม่มีภูมิใจภูมิอัดภูมิทำไม่มีเรื่องข้อวัดปฏิบัติเขค่อยจืดจางไปสืดจางไปเลยกลายเป็นเรื่องอื่นขึ้นมาแทนที่เหสียงานทั้งหลายก็เลยกลายเป็นงานของโลกไปเสียนีแล้วไปใหญ่ละวึงหาทางยับยั้งไม่ได้ อันนี้นิสโตกมากกับหมู่เพื่อนเราจรึงเลยพูดแล้วพูนเล่าย้ำแล้วย้ำย้ำเล่าอยู่เสมอในเรื่องเหล่านี้เพราะเราเห็นคุณค่าของธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจเราพูดอย่างตรงไปตรงมากำหนดพิจารณาหมดแล้วในสามโลกธาตุนี้อยู่อันใดที่เด่นกว่าเพื่อนในทางความดีความประเสริฐมีอะไร มันก็ไม่นอกเหนือไปจากใจกับธรรมที่สัมปัตสัมพันธ์กันจนกระทั่งว่าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนั่นคือความประเสริฐสุดเมื่อถึงความประเสริฐสุดแล้วอะไรเสียดายอะไรนันสลัดออกหมดเพราะไม่มีอะไรเยี่ยมยิ่งกว่านั้นนั่นพอพูดแล้วผมยังจะเสียดายอยู่เหลือป่าช้าอันนี้กิเลสทาให้สร้างป่าช้า พานเข้าใจหรือยังเกิดเจ็เจ็บตายเราเคยเป็นมาสักแค่แหละแล้วไม่เบื่อไม่อิจนาลอาใจหรือความเกิดเจ็บตายก็คือเรื่องความหมุนไปด้วยความทุกข์ความทรมานตลอดไปนั่นเองความพ้นเสียจากความเกิดเจ็บตายเพรจิตหลุญพ้นนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศโลกแล้วนิจขาโตกรณิบุโตสวัดับสนิทบรรดาท่าซองเกิดเทราความเจ็บพยาธ่ความเียบมรณะความตายพบน้อยพบใหญ่ดับไปหมด เขาเรียกว่านี้ขาโตไปนี้บุโตนับที่ใจมีใจดวงมีกิเลสเท่านั้นที่เป็นเครื่องยุ่แย่ก่อขวังนึกทับถมโจมตีจิตใจอยู่ตลอดเวลาให้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟอิยาบททั้งสี่เป็นปืนเป็นไฟไม่ใช่เป็นฟืนเป็นไฟเพราะทํามาเผาผลาญแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเผาผาญจิตใจเมื่อทําระกิเลส ท่หยาบคือความฟุ้งซ่านลังคาไปได้จิตก็สงบนี่เราก็พอเห็นคุณค่าของธรรมคือความสงบและเห็นโทษของพีเดตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายไปโดยลําดับแล้วนี่มแก้เข้าไปแก้เข้าไปนี่เลยค่อยหมดไปหมดไปความสะดวกสบายของใจค่อยปรากฏขึ้นมาโดยลําดับเอาจนกระทั่งพิเลตไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยอะไรที่นี่ ตะมาดูแย่ก่อขวานเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องแม็ดเม็ดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสที่จะมาดูหญ่ก่อขวานไม่มีแล้วอะไรจะมาก่อขวานเมตตาจิตจล้วนแล้วก็เป็นธรรมทั้งแท่งก็ทราบได้ชัดทิ่นร้อยทั้งร้อยไม่สงสัยมาโอ้ไอเรื่องจิตนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมา ตั้งแต่ขั้นนั้นจกนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ยุ่ยแย่ต่อควรเมื่อกิเลสทิพง์ุกทิพย์หายวายพวงลงไปหมดเพราะอำนาจแห่งกัพพธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาแล้วมันก็เหมือนบ้านร้างเนอบ้านร้างคือยังไงแล้วบ้านร้างหากมีคนอยู่นั่นฟังเถอะเหมือนบ้านร้างเงียบ นั่นภายในจิตนั่นเงียบไม่มีอะไรแสดงความฟึ่งความขนองความวิ่งเต้นเพงกระโดดความเหลวไหลโรเล่ความยุ่ยแย่กว่าควรขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยนั่นละ่ะเหมือนกับว่าบ้านร้างทั้งๆ ท, ที่คนมีอยู่บ้านร้างแต่มองเห็นคนมีอยู่ในบ้านนั้นคืออะไรก็มีแต่ขันดิด ยุบยับยุบยบยับตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเห็นแต่ขันเท่านั้นกิเลสตัวสาคัญที่นาขันไปใช้เป็นเครื่องมือนั้นตายไปหมดแล้วยังเหลือแต่ขันซึ่งไม่มีความหมายอันใดเลยเพราะไม่มีเจ้าของคือกิเลสเป็นตัวการเนื่องจากขันนี่เป็นสมมติกิเลสก็เป็นสมมติประเภทเดียวกันเมือ่อกิเลสดับลงไปแล้วขันก็หมดความ บังคับของกิเลสก็เหลือตั้งแต่อาการที่คิดไปปรุงไปปรุงมาจาได้หมายรู้ธรรมดาเท่านั้นนี่เรียกว่า บ, บ้านร้างจะมีคนหลักใหญ่ก็คือจิตบ้านร้างแต่จิตรู้รู้ล้วน รู้ไม่มีอะไรยุ่ยแย่ก่อขวนรู้ไม่มีพิษมีภัยรู้ด้วยคำบริสุทธ์ร้อนร้อนขันก็เป็นขันบริสุทธิ์ร้อนร้อนเพราะไม่มีพิเดชเข้าไปเครือบแฝงนั่นแหละที่ว่าบ้านร้างพักมีคนอยู่เป็นไหนถ้าไม่ร้างจะยังไงีอาการของขันทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยเพราะพิเดช เป็นผู้บงการท้ายออกมาความชุกพนองความุ่งเหยิงวุ่นวายราคะตัญหาความโลภความโกรธความหลงเต็มไปหมดออกมาจากขันทั้งนั้นเป็นเครื่องมือเมื่อหมดตัวการสำคัญแล้วขันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเทวนาก็มีจะมีภายในร่างกายเท่านั้นภายในจิตใจไม่มี เป็นทุกข์ก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีนี่อยู่ภายในภาดในขันนี้เท่านั้นไม่มีภายในจิตนับตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดลอยหลุดลอยออกไปจากใจทุกขเวทนาต่างๆ จึงไม่มีในจิตของท่านผู้ดูท้นแล้วจากสรมุตโดยประการทั้งปวงอนี้แ ต, แต่เวทนาในขันรูปประขันก็เพียงทรงตัวอยู่ตามภ า, าพของมันเวทนาขันทุกทุกเฉยเฉยที่เป็นไปตามร่างกายมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันก็ไม่มีพิษมีภายไรต่อจิตใจทัญญากับเพียงจําได้หมายรู้ยี่ยเปรียบไปตามธรรมดาของมันพอถึงการแล้วมันก็นสลายไปตามเรื่องของมันจิตซึ่งเป็น ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทธะเต็มรวงอยู่แล้วจะมีอะไรหวั่นไหวกับเรื่องทุกขเวทนาเหล่านี้ที่มาที่ปรากฏขึ้นในเดิมธรรมชาติของขังนธ์หล่ะไม่มีนั่นการดับทุกข์ดับที่นี่เมื่อสมุทัยคือกิเลสไม่มีครองหัวใจไม่มีมาบีบบังคับจิตใจแล้วแสนอิสระ ทั้งั้งที่ยังไม่ตายก็เห็นได้ชัดๆอยู่ไหนก็อยู่สบายเป็นอิสระตลอดเวลาอาการลิโกไม่เลือกการสถานที่เ ว, เวลาอิยาบทเลยเรีย่ว่าอาการลิโกแข้งกิเลสดับไปเท่านั้นสึ่งทั้งหลายก็เป็นคําปกติของตนไปหมดรูปก็ปกติตามหลักธรรมชาติของเขาเทวธนาสัญญาสังข า, ารจิญญาณก็ปกติเพราะว่า ม, มีเขาให้เขาไปยึดไปถือ สำคัญมั่นหมายจิต ก, ก็บริสุทธิ์รู้เท่าทันอาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เป็นเพียงอาศัยกันไปชั่วระยะการเท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมีก็เพียงความรับผิดชอบภายในร่างกายของตนแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นต้นถึงการที่จะสลายแล้วสลายลงไปเพราะเรียนรู้หมดแล้วเรา คอยดูตั้งแต่มันจะแตกจะดับไปทั้นั้นไม่นอกเหนือไปจากขายคือยานความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจนี้ไปได้เลยธาติดูขาชรลาดูขามารนามกิจูขังเวลาจะเกิด เ, เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์นี่แหละถ้าเป็นธรรมนาสามัญทั่วไปแล้วเป็นทุกข์จริงๆเดืเอด ร, ร้อนวุ่นวายละสัมละสาย ร่างกายเป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์ขึ้นมาตามๆกันเลกลายเป็นโรคสองชั้นโรคทางกายก็เสียดแทงเข้าไปสู่จิตโรคทางจิตก็เกิดความวุ่นวายรือ ด, ดร้อนนี่เรื่องสามันชนเราเป็นอย่างนี้แต่พระอรหันต์ท่านไม่เป็น<ม>ชราปิตุขาท่านกทา็ท้าบเรื่องของขันทีย มานำปิตุขังขนา จ, จะตายท่านก็ทราบว่ามันแสดงเวทนาเต็มที่ทุกขเวทนาเป็นนั่นแหละท่านก็ทราบเพียแต่ท่านไม่เป็นทุกขใจท่านคำว่าทุกขศักดิ์แต่ว่าที่มีอยู่ภายในขนันเมื่อหมดกำลังของมันที่จะสืดต่อต่อไปได้แล้วก็ปล่อยลงตามสภาพเดิม ธาตุไหนก็ไปเป็นธาตุนั้นธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟสาลายลงไปสู่ธาตุเดิมของตนธรรมชาติสิจิตที่บริสุทธิ์ดุจพ้นไปแล้วก็ไม่มีความเยื่อใยอะไรทั้งนั้นนั่นความเป็นอิสระนั่นคือผลแห่งความเพียรที่เต็มไเด้วความทุกข์ความลําบากในการสะเกียกติกายต่อสู้กับที่เดือดตันหาอสุราผลเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียจรจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคจึงไม่ถือเป็นข้อรําคาญต่อสู้กันเพื่อชัยชนะเออนักมวยเขาต่อสู้คนบนเวทีเขาไปคิดยึดหนาละอาใจในคําเมื่อหิวอ่อนเพียความเจ็บความปวดได้อย่างไงเขาไม่คิดนี้จะเอาให้ชนะท่าเดียวเท่านั้นถ้าว่ามาคํานึงถึงเรื่อง ความเมื่อยงีอ่อนเพลียแล้วกําลังใจจะตกทันทีแล้วก็แพ้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ถ้าเรามาคํานึงถึงหรือมาคิดมาวุ่นวายตั้งแต่ความลําบากลําบนในการประกอบความเพียรือแดงว่าเราเตรียมพร้อมที่จะแพ้แล้วตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นจึงคํานึงจงคํานึงถึงาศาสดาของเราเสมออย่าได้ลืมท่านทำขนาดสลบสามหน เรามีใครบ้างสลบความเพียนทั้งหลับพิณาสิอมาเทียสิท่านผู้เป็นครูเป็นาศาสดาสอนโลกสอนธรรมให้แก่พวกเราได้กราบไหว้บูชาแล้วก็คือปฏิบัติเวลานี้ท่านสลบถึงสามห่มท่านลำบากหรือไม่ลำบากการต่อสู้กับกิเลส ย, ยากขนาดไหนถ้าสาวก็เหมือนกันต่างองค์ต่างลำบากลำบนเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่แก้า ย, ยากกิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมาก เกินกว่าสติปัญญาของคนธรรมนาจะสู้ได้จะรู้ได้ในบรรดากลมายาของกิเลสนอกจากทำสติทำปัญญาธรรมโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเท่านั้นเราจึงจะท่าปัญยาของกิเลสได้เป็นลําดับลาดับจนกระทั่งถึงกิเลสมีความละเอียดลอขนาดไหนสติปัญญาละเอียดลอไปตามกันตามกันทันลาดปันทันแหลกกันไปทุกระยะระยะระยะไปที่ไหนมีตั้งแต่ ต่อสู้กับกิเลสฆ่ากิเลสเดินจงกลมอยู่กับฆ่าวกิเลส น, นี้เป็นตัวสัตว์ตัวบุคคลแล้วจะตายเกลื่อนดุกข้างทางจงกลมเต็มไปหมดที่นั่งที่นอนหมอนมุง้งที่ปกที่ฐานการวิยนถบาทจะเต็มไปด้วยกิเลสตายไปหมดนั่นแหละความเพียรของท่านผู้ฆ่ากิเลสให้สิ้หายท่านมีสติของท่านท่านมีปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันอยู่ทุกอิริยาบถไปไหนก็มีแต่การฟาดฟันกิเลสไปเวียนถ บ, บาท เอาข้าวเขามากินท่านก็ตักแต่ว่าถือเป็นกิริยาที่ไปตามข้อวัตรปฏิบัติเท่านั้นแต่หลักใหญ่คือความเพียรท่านไม่ลดละเดินไปไหนท่านมีตังแต่ความเพียรสติปัญญาเป็นเพื่อนสองอยู่ตลอดทําไมจะไม่พบกิเลสละเหยียดขนาดไหนก็ตามมันได้ค้นกันขึ้นมาฆ่าจนได้เ้นแรลกเหยียดไปหมมหาสติมหาปัญญาให้เรียนมาตั้งแต่ในตำหำนักตำราท่านหรืออันนั้นเป็นชื่อของมหาสติมหาปัญญา องของมหาตติมหาปัญญาจริงจับผิดขึ้นหน้าที่ใจเราราคาตันหาความโลภความโสดความหลงในตำลามีแต่ชื่อของกิเลสทั้งนั้นตัวกิเลสจริงๆอยู่ภายในใจของเรามองเข้ามาที่นี่แก้กันที่นี่ทำหน้ากันที่นี่สิคำว่านิพานนิพานก็ดีความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ดีนั่นเป็นชื่อของธรรมท่านชี้เข้ามาสู่ตัวจริงคือใจของเรานี่เอาให้หลุดพ้นที่นี่สิ เมื่อได้รู้แจ้งเห็นชัดภายในจิตใจแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีหรือไม่มีได้อย่างไรเมื่อใจดวงนี้เป็นพยานดืนอดันอยู่แล้วอืเราเชื่อมั่นในความจริงของเราเราเห็นได้ชัดในความจริงของเราแล้วเราจะไปลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีได้อย่างไงถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีก็ลบล้างความที่รู้อยู่ภายในจวนนี้เสีย รมขึ้นเป็นธรรมชาติเหมือนกันกับพุทธธรรมสงนั้นเมื่อเรายอมรับที่นี่เราก็ต้องยอมรับพุทธธรรมสงที่ท่านแสดงออกมาเป็นกิริยานั้นแต่ความจริงของธรรมชาติพุทธธรรมสงแล้วจะเหมือน ก, นกันกับความรู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งเรารู้เราเห็นเราทรงไว้อยู่เวลานี้ไม่ผิดกันแม้แต่นิดเดียวงเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมีอยู่ที่นี่พราะทานเาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะอยู่ที่นี่ ทำอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นไม่ว่าที่ไหนไหนกว้างแคบไม่มีที่อยู่ของธรรมไม่มีที่สถิของธรรมนอกจากจิตเท่านั้นจะเป็นที่สติของธรรมได้ตลอดถึงนี่มุดหลุดพ้นจะไม่หลุดพ้นที่ไหนพ้นที่จิตนี้เท่านั้นเราให้จริงให้จังอย่ามาทำเล่นๆนะแล้วละแหละเราหนักใจ เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วก่อนที่จะนาํามาสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่เคยพูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หมนไม่ได้พูดมาคุยมาอวดหมู่เพื่อนพูดให้เป็นคติและพูดตามความกริงของตนที่จะดําเนินมาเราแทบล้มแทบตายมาหลายหนแล้วในการต่อสู้กับกิเลสแต่แล้วิเราก็ไม่ตายสุดท้ายกิเลสมันตายนี่ก็เป็นพยานได้ที่ว่าพระพุทธเจ้าสลกไปสามหมุนไม่ตายสุดท้ายกิเลสก็ตาย นี่ก็เหมือนกันเราก็เคยฟังแต่ไม่ถึงขั้นสลบไม่ถึงขั้นสลบไม่ถึงขั้นตายแต่พระจักชัดว่ากิเลสตัวไหนมันตายมาโดยลําดับลําดับพระจักภายในใจชัดเอาให้มันข้ามไปหมดโคตรแท้มันสิภายในกิเลสภายในใจโคตรแท้มันคืออะไรอวิชชาปัญญาทั้งขารานั่นแหละโคตรแทกกิเลกเขาะจะไปหาที่ไหนฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่ไห น, น เมื่อโพดแท้มันหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นพืชเป็พันต่อไปแหละเนี่ยมดอวิชาวะจะอวิชากะตะเวอาเสสสวิระนิโรธาสร้างฆ่ารานิโรโทสร้างฆ่ารานโรธาวิญญาณานิโรโทตลอดถึงนิโรโทโหติเรียบไปหมดเมื่ออวิชาดับอานั้นระดับหมดเหมือนอย่างเราถอนต้นไม้ทั้งลากแก้วขึ้นมาทรวดเดียวเท่านั้น่ะกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องพูดมันตายไปด้วยกันหมด ถ้าเป็นบริษัทบริวารของกันและกันตัวตั้งพัญก็คือรากแก้วีตัวสําคันก็คืออวิชชาฆ่าลงไปฆ่าลงไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายถอนออกมาลากแก้วก็คือโคตรแส้ของวันเอาให้เรียบแล้วอยู่เธอที่อยู่ไหนก็อยู่ไปเถอะตายไหนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเรื่องความตายเรียนรอบหมดแล้วมันตายที่ไหนมีแต่ธาตุสีน้ำลงไปสลายตัวลงไปตามธรรมชาติของเขาเท่านั้นมีอะไรตาย จิตที่กลัวตายกลัวตายความกลัวมันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกต่างหานี่เมื่อเข้าถึงความจริงแล้วตายก็ไม่กลัวกลัวอะไรไม่ไม่มีอะไรตายไม่ัเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นแล้วกลัวอะไรยังมีชีวิตอยู่เราจะได้อะไรจากธาตุขันอันนี้ผู้ที่ถึงความพอตัวแล้วไม่ประสงค์อะไรจากธาตุขันธนี้ทั้งนั้นเมื่อเวลาตายลงไปแล้วจิตใจนี้จะไปโลภจมที่ไหน เพราะจิตใจไม่ใช่ขันขันไม่ใช่จิตนี่ต่างอันต่างจริงอยู่แล้ววิตกวิจารกำหมูกับเพื่อนจะโดยลำดับลำดาทั้งฐานนางกายสุขภาพก่อนยิ่งคำรุดทุกทมลงไปโดยลำดับ การให้โอวาตสั่งสอนก็เด็สั่งสอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มคำไม่สงสัยในการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่ายังบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนเราสอนอย่างเต็มภูมิมีเท่าไหร่ลากออกมาหมดแล้วทำไมที่จะเป็นศขีพยานถ้าได้ชมบ้างว่าทำของพระพุทธเจ้าหรือโอวาตนี้ที่แนะ น, นําสั่งสอนแทบเป็นแทบตายนี้พอปรากฏผลบ้างอย่างนี้ทําไมมันไม่ปรากฏ มันเป็นเพราะเหไหลหูก็ตั้งใจมาฟังตาก็ตั้งใจมาดูจิตตั้งใจมาทึกษาอบรมแล้วทำไมมันไม่เห็นปรากฏผลขึ้นมาดังที่มากันมันเป็นเพราะเห็นไหลถ้าไม่ใช่มาเราเลาะแหละอยู่อย่างนั้นเราคิดเห็นเท่านั้นเองอ่ะต่อไปให้ท่านปาัิญญาท่านคิดเหนวย่า